อดที่3ความหวาดกลัวและความเจ็บปวดอิสระจากความหวาดกลัวอิสระจากความหวาดกลัวถ้าความรู้สึกผิด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 4ี่คืนติดต่อกันมีการจองห้องประชุมที่ s ันเท็กซิ y ในสิงคโปร์ที่ทั้งใหญ่และแพงสามารถจุผู้ฟังได้ถึง 2,500 ที่นั่งไว้เรียบร้อยและมีการปิดประกาศบอกตามป้ายรถเมล์แต่แล้วก็เกิดวิกฤตการณ์เรื่องโรคสาขึ้นเมื่ออาตมาเดินทางไปถึงประเทศสิงคโปร์นั้น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 เช้าวันนั้นข่าวพาดหัวด้ตัวอักษรดำใหญ่บนหน้าหนังสือพิมพ์รายวันเตือนประชาชนว่าบัดนี้มีชาวสิงคโปร์ป่วยด้วยโรคซาถึง 9.9 คนอาตมาตถามว่าปัจจุบันสิงคโปร์มีประชากรจำนวนเท่าใดคำตอบคือราวๆ4ล้านคนอาตมาจึงให้ข้อสังเกตว่า